การมาฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยติธรรมเป็นขั้นตอนขั้นที่หนึ่งของกระบวนการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจหลังจากที่ได้ศึกษา ได้เรียนรู้แล้วว่าจะต้องกาจัดความทุกข์อย่างไรขั้นที่สองก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติพอการศึกษาการฟังการเรียนรู้วิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจจะไม่หมดไปจากการศึกษา จะหมดก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติปฏิบัติคือกาจัดต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรเมื่อรู้แล้วว่าเกิดจากเหตุนั้นเหตุนี้ก็กาจัดเหตุนั้นเสียพอกาจัดเหตุนั้นได้ความทุกข์ก็จะหายไปอันนี้เรียกว่าขั้นตอนขั้นที่สอง และขั้นที่สามพอปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาคือความความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปตามลาดับตามกำลังของการปฏิบัติปฏิบัติมากก็จะกำจัดได้มากปฏิบัติน้อยก็จะกำจัดได้น้อยขั้นที่สาม คือผลของการปฏิบัติจะตามจากขั้นที่สองคือการปฏิบัติความทุกข์ต่างๆที่ดับไปเรียกว่าปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติหลังจากที่เราได้ศึกษาได้รู้ว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรแล้วเราปฏิบัติกําจัดเหตุของความทุกข์เหล่านั้นให้หมดไป ผลก็คือการดับของความทุกข์ต่างๆก็จะตามมาหลังจากนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ความสามารถที่เราได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติมานำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไป นี่คือขั้นตอนต่างๆของกระบวนการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปโดยเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตาสาวกมาเป็นแบบฉบับมาเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้า ทรงศึกษาก่อนแล้วทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติจนสามารถบรรลุถึงผลของการดับทุกข์ต่างๆได้หมดหลังจากนั้นพระองค์จึงเอาความรู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจมีศรัทธาความเชื่อต่อไปทำให้ปรากฏมีผู้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีการดำเนินตามขั้นตอนของขอบวนการกำจัดความทุกข์อย่างถูกต้องนั่นเองไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่ มีการดำเนินตามขั้นตอนของการกำจัดความทุกนี้ไม่เหมือนกันเพราะจะข้ามขั้นตอนกันจะศึกษาแล้วก็ไม่ปฏิบัติไม่บรรลุผลแต่จะตั้งตนเป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อเผยแผ่เพื่อสั่งสอนผู้อื่น เพราะมีความโลภมีความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นได้เคารพนับถือได้ยกย่องว่าเป็นครูเป็นอาจารย์คำสอนความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการศึกษายังไม่เป็นความรู้ที่ถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงเพราะยังไม่ได้สัมผัสกับความจริง เป็นความรู้ที่เกิดจากจินตนาการความคิดไปคิดขึ้นมาเองคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาความคิดนี้ไปสอนผู้อื่นอีกทอดหนึ่งเมื่อผู้อื่นได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก็จะไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติ เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้เพราะความคิดความคิดของผู้สอนนั้นไม่ตรงกับความจริงนั้นเองนี่คือความแตกต่างของการเผยแผ่สั่งสอนของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันกับในยุค สมัยพระพุทธการสมัยพระพุทธการนี้ท่านดำเนินตามขั้นตอนศึกษาแล้วก็ปฏิบัตปิปฏิบัติแล้วก็บรรลุบรรลุแล้วจึงเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว พรองค์ก็ประกาศเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่นและสามารถทำให้ผู้ศึกษาได้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจำนวนมากเลยแสดงทมแต่ละครั้งมีผู้บรรลุเป็นร้อยในระยะเจ็ดเดือนแรกของการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า คือจากวันเพ็ญเดือน8ที่เป็นวันอาสาหะบูชาเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนโดยได้แสดงพระธรรมาจักกัปปวัตนนสูตรให้แก่พระปัญจวัคคีห้ารูปหลังจากที่ทรงแสดงหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณโกนทัญญะ ก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระโสดาบันหลุดพ้นจากความทุกข์ในขั้นที่หนึ่งของพระอริยบุคคลได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะหนึ่งผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเห็นตรงกับความเป็นจริงผู้ฟัง ก็เป็นผู้ที่มีความตั้งใจฟังมีจิตใจที่จดจ่อต่อการฟังคำสอนและพิจารณาตาม mm hmm. คือผู้สอนก็เป็นคนตาดีไม่ใช่คนตาบอดสอนผู้ฟังก็เป็นคนหูดีฟังไม่ใช่เป็นคนหูหนวกฟัง mm hmm. ถ้าเป็นคนหูหนวกฟังยังไงก็จะไม่ได้ยิน ผู้สอนถ้าเป็นคนตาบอดสอนยังไงก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะไม่ได้เห็นด้วยตาของตนเองนั่นเองเเหมือนกับที่เขาพูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นถ้าผู้สอนเป็นคนตาบอดคือศึกษาแต่ไม่ปฏิบัตินี่เรียกว่าเป็นคนตาบอดแล้วก็ไปสอนคนหูหนวก คนหูเหนือก็คือคนที่ไม่สนใจไม่ตั้งใจฟังเวลาฟังธรรมก็คุยกันหรื อ, อคิดไปเรื่องราวต่างๆนานาใจไม่สงบไม่มีสมาธิคอยรับธรรมของผู้แสดงแสดงไปฟังไปก็ไม่เกิดผลขึ้นมานี่คือลักษณะของการแสดงธรรม ของการฟังธรรมในยุคปัจจุบันนี้คนสอนก็เป็นเหมือนคนตาบอดยังไม่ได้เห็นสิ่งที่ตนเองสอนเพียงแต่จินตนาการไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นแล้วก็เอาไปสอนส่วนคนฟังก็ไม่อยากจะฟังไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆฟังเพราะคิดว่าเป็นธรรมเนียมคิดว่าฟังแล้วจะได้ สิริมงคลแก่ชีวิตก็เลยฟังไปโดยที่ไม่รู้จักวิธีฟังที่จะให้ได้ผลนั่นฟังอย่างไรก็ฟังแบบคนหูหนวกฟังก็ไม่ได้ยินเสียงมีแต่กิริยาของการฟังแต่เนื้อหาสาระของการฟังนี้ไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะกายวาจาใจของผู้ฟังนี้ ไม่ได้อยู่ในความสงบนั่นเองการไม่สงบก็คือเวลาฟังธรรมก็ทำอะไรควบคู่ไปด้วยเช่นขับรถไปก็เปิดธรรมฟังไปหรือทำงานบ้านทำอะไรล้างถ้วยล้งางจานก็ฟังธรรมไปกวาดบ้านถูบ้านก็ฟังธรรมไปอันนี้ใจจะไม่ได้จดจ่ออยู่กับการฟังธรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะใจจะต้องแบ่งไปให้กับการทำงานใจก็จะไม่สามารถรับธรรมะเข้าไปได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อธรรมะไม่เข้าไปสู่ใจได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผลที่จะนำผลที่จะเกิดขึ้นก็จะไม่ปรากฏขึ้นมานการฟังธรรมถ้ากายวาจาใจไม่นิ่ง ฟังไปจะไม่ได้รับประโยชน์เพราะว่าใจจะไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวธรรมที่เข้าสู่ใจก็จะเข้าไปแบบไม่สมบูรณ์ขาดตอนการฟังธรรมนี้เป็นการฟังเหตุฟังผลของธรรมต่างๆที่มีการเกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกัน แต่ถ้าฟังแล้วฟังแบบขาดตอนก็จะไม่เข้าใจรรมต่างๆว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างไรมีความสำคัญต่อกันอย่างไรฟังเลยไม่เกิดความเข้าใจขึ้นมาไม่เกิดสัมมาทิฏฐิไม่เกิดปัญญาไม่สามารถกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆไปได้คือฟังแล้วไม่บรรลุธรรม ไม่เหมือนสมัยพระพุทธการที่ผู้ฟังนี้มีความตั้งใจฟังเวลาฟังนี้จะนั่งเฉยๆจะไม่คุยกันแล้วก็ใจก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจอยู่กับคิดอยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสพิจารณาตามตามเหตุตามผลของธรรมก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจขึ้นมา สามารถกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆได้ทำให้เกิดมีปัญญาที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในขณะที่ฟังเล ย, เยการศึกษาที่ถูกต้องจึงต้องขึ้นอยู่กับสองส่วนด้วยกันส่วนของผู้สแสดงและส่วนของผู้ฟัง ผู้แสดงก็ต้องเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงควรจะเป็นตั้งแต่พระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคือขั้นพระโสดาบันจะได้ทำแท้ทำที่ได้พิสูจน์จากการปฏิบัติแล้วผู้ฟังก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ฟังด้วยความตั้งใจสนใจอยากจะฟังจริงๆใจจดจ่ออยู่กับการฟัง ไม่ใช่ฟังโดยมารยาทเพื่อไม่ให้เสียมารยาทฟังเพื่ อ, อ, อเพื่อเป็นสิริมงคลโดยที่ไม่รู้ว่าสิริมงคลนั้นคืออะไระเพราะว่าฟังแล้วจะฟังทำแล้วจะดีก็ฟังแต่ฟังแบบใจลอยอฟังแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้ามีคนข้างๆ ก็อาจจะคุยกับคนที่นั่งอยู่ด้วยกันถ้าฟังแบบนี้แล้วก็จะไม่เป็นมงคลไม่เกิดผลที่จะเกิดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องการศึกษาที่ถูกต้องนั้นต้องศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องแหล่งที่ถูกต้องที่ที่ มีธรรมแท้ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสาวกถ้าอยากจะศึกษาต้องศึกษาจากบุคคลเหล่านี้ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็จากพวกเราไปแล้วแต่พระองค์ได้ส่งมอบตัวแทนของพระองค์ให้กับพวกเราคือพระธรรมคำสอนที่ได้ทรงแสดงไว้ และได้มีการจดจำบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะศึกษาพระธรรมคำสอนถ้ า, าอยากจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ให้ไปศึกษาจากพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกได้อันนี้จะเป็นแหล่งของความสอนที่ถูกต้องที่เป็นของแท้ของจริง เช่นศึกษาจากพระสูตรต่างๆเช่นพระธรรมจักรกับวัตนะสูตรการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระอ ญ, ญิยโกนทัญญะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งหรือศึกษาพระอนัอนตตระคณสูตรเป็นการแสดงธรรมที่ทำให้พระบัรจวิเคีา์ทั้งห้า ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมๆกันหรือศึกษาจากสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับประกันว่าถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติตามคําสอนในสติปัฏฐานสูตรจะสามารถบรรลุธรรมได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอย่างแน่นอนนี่คือดัง ของความรู้ที่เราต้องศึกษาอย่าไปศึกษาจากหนังสือที่ไม่ได้ออกมาจากพระไตรปิฎกหรือถ้าไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกก็มีก็สามารถศึกษาจากพระอริยบุคคลได้ถ้ามีพระอริยสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีหรือพระอราหารัน บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าต่างกันตรงที่ยังรู้ไม่เท่ากันพระโสดาบันนี้ยังรู้น้อยกว่าพระสกิดาคามีพระสกิดาคามีรู้น้อยกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีรู้น้อยกว่าพระอาหารหันต์แต่ความรู้ที่ท่านรู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ ที่สามารถทำให้ผู้ศึกษานี้นำเอาไปปฏิบัติและบรรลุตามธรรมที่ท่านได้บรรลุ ถ, ถึงได้เพียงแต่ว่าท่านจะไม่สามารถสอนธรรมที่สูงกว่าที่ท่านได้บรรลุแต่ก็สามารถสอนในธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วและท่านก็จะไม่สอนเกินความสามารถความรู้ของท่านท่านไม่รู้ท่านก็บอกว่าไม่รู้ ไปถามพระโสดาบันไปศึกษาอยากจะบรรลุขั้นสกิดาคามีพระโสดาบันบอกว่าสอนไม่ได้เพราะยังไม่บรรลุเหมือนนักศึกษาที่จบปริญญาตรีมีคนจะมาขอศึกษาเพื่อจะเรียนให้จบปริญญาโทนักศึกษาผู้จบปริญญาตรีก็ต้องตอบว่าสอนไม่ได้เพราะตนเองยังไม่ได้จบปริญญาโทจะให้สอน ให้จบปริญญาโทนั้นสอนไม่ได้แต่ถ้าอยากจะให้สอนจบปริญญาตรีนี่สอนได้ก็ได้สอนมาแล้วได้เรียนมาแล้วได้จบแล้วได้รับปริญญาตรีแล้วอันนี้ก็เหมือนกันการศึกษาเราก็ต้องศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงก็มีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกออ หรือถ้าเราได้พบกับพระอริยสงฆ์พระปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบพระสุ ป, ปฏิปันโนเราก็ศึกษากับท่านได้และเราจะได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำแล้วเราก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาได้แล้วถ้าเกิดปฏิบัติไปแล้วเกิดความสงสัยเกิดความไม่เข้าใจ ก็สามารถสอบถามได้ถ้ามีพระอริยสงสาวกแต่ถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกนี่ถ้ามีความสงสัยนี่ก็จะไม่มีใครตอบได้นอกจากต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะสามารถกำจัดความสงสัยนั้นได้ยกตัวอย่าง ตอนที่หลวงตาท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านก็ปฏิบัติทำบรรลุธรรมขั้นต่างๆตามลาดับจนถึงขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นขั้นพระอารหันต์ก็พอดีหลวงปู่มั่นได้มรณภาพไปก่อนเมื่อหลงปู่มั่นมรณะภาพไปหลวงตาก็เลยต้องปฏิบัติ ด, ด้วยการคำทางไปเองทดลองผิดทดลองถูกไปเอง พราะไม่มีใครที่จะตอบคำถามความสงสัยหรือปิิศนาธรรมที่ปรากฏขึ้นมาในใจได้หลวงตาก็เคยเล่าว่ามีปิิศนาธรรมปรากฏขึ้นมาในใจว่าที่ไหนมีจุดมีต่อมที่นั่นคือพบชาตอันนั้นหลวงตาฟังแล้วก็ไม่เข้าใจท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่มั่นยังอยู่ ถ้านำเอาเปริศ น, นาธรรมนี้ไปถามหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นจะสามารถอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ทันทีแต่หลวงปู่มั่นท่านไม่อยู่แล้วและไม่มีใครที่มีความรู้ความสามารถเท่ากับหลวงปู่มัน่นท่านก็เลยต้องอาศัยความเพียรของท่านลองผิดลองถูกปฏิบัติไปใช้เวลา อีกประมาณสามเดือนถึงจะสามารถเข้าถึงคำตอบของปิศนาธรรมนี้ได้อันนี้ก็ช้าหน่อยแต่ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วนี้ถึงแม้จะไม่มีผู้สั่งผู้สอนก็จะไม่เป็นปัญหาสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยตนเองพอรู้แนวทางของการปฏิบัติแล้ว รู้แนวทางของการกำจัดความทุกข์ต่างๆแล้วเองแต่ว่ายังไม่สามารถกำจัดได้ต้องใช้การลองผิดลองถูกดูลองใช้วิธีนี้วิธีนี้ดับไม่ได้ก็ลองใช้วิธีนี้วิธีนี้ยังดับไม่ได้ก็ลองใช้อีกวิธีหนึ่งเหมือนสบายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่มีผู้ที่จะสอน เรื่องของการกําจัดความทุกข์ให้หมดไปได้อย่างถาวรได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่สอนในระดับสมาธิคือการใช้สมาธาิดับความทุกข์ไว้ชั่วคราวหยุดความทุกข์ไว้ชั่วคราวในขณะเข้าสมาธิความทุกข์ที่เกิดในใจก็จะหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ ไม่มีใครรู้ว่ามันโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรและจะทำให้มันดับได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิพ<ม>ระธธพุทธเจ้าก็เลยต้องลองผิดลองถูกลองผิดก็คือลองอดปัสกาญาหารถึงสี่สิบเก้าวันก็เห็นว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์ก็เลยทรงย้อนกลับมาดับด้วยการเจริญสม ถ, ถะและวิปัสสนาภาวนาจเจริญสม ถ, ถะทำใจให้สงบ ล้วก็เจริญปัญญาวิเคราะห์หาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและอะไรจะกำจัดสาเหตุของความทุกข์นี้ได้พระองค์ก็ทรงค้นพบในที่สุดว่ามันเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆและการจะกำจัดก็ต้องกำจัดด้วยปัญญาคือไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ พระพุทธเจ้ า, พาพก็ยังต้องลองผิดลองถูกอยู่เพราะไม่มีผู้ที่จะผู้รู้ทางถ้ามีผู้รู้ทางไปสามเขาก็จะบอกทันทีเลยว่าความทุกข์ของคุณนี่เกิดจากความอยากของคุณนั่นเองเกิดจากกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและการจะกาจัดมันได้ก็ต้องกาจัดด้วยศีลสมาธิปัญญา ถ้าไม่มีศีลก็หัดรักษาศีลขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิก็ฝึกสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็สร้างปัญญาขึ้นมาพอมีศีลมีสมาธิมีปัญญาความทุกข์ใจต่างๆจะหายไปหมดนี่คือการศึกษาที่ถูกต้องต้องศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริง ก็มีแค่สามที่ทนั้นคือพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้ก็จากพวกเราไปก็เหลือสองสองที่สองแหล่งคือพระธรรมคําสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและพระอริยบุคคลถ้าเปรียบเทียบกับระหว่างสองที่นี้ที่ไหนจะดีกว่ากันก็ต้องที่พระอริยบุคคลจะดีกว่าเพราะว่า ถ้าเราติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถไปถามท่านได้หรือไปฟังธรรมจากท่านบ่อยๆแต่ถ้าเป็นพระไตรปิฎกนี่มันมีทั้งตู้ไม่รู้จะไปฟังที่บทไหนดีเรื่มไหนดีเปิดไปก็อาจจะไม่ได้ตรงกับคำถามที่เราอยากจะรู้คาตอบหาคำตอบไม่เจอ อาจจะทำให้เกิดความท้อแท้ขึ้นมาก็ได้เพราะยากต่อการที่เราจะหาคาตอบจากหนังสือไดอ้แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องมีความเพียรพยายามมีความอดทนอ่านไปเรื่อยๆอ่านเล่มนี้ยังไม่เจอคาตอบก็อ่านเล่มต่อไปอ่านมันไปทุกเล่มเดี๋ยวก็ต้องเจอคำตอบเองอันนี้ช้าหน่อย แต่ก็ยังใช้ได้พระไตรปิฎกนี้ยังเป็นแหล่งของความรู้ที่นำไปสู่กระบวนการดับทุกข์ได้แต่อาจจะยากหน่อยไม่เหมือนกับศึกษากับครูบาอาจารย์ผู้บรรลุธรรมแล้วศึกษาจากพระไตรปิฎกก็เหมือนหัดกินอาหารเองต้องตักอาหารเองถ้าศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็เหมือนท่านป้อนให้เราเราเพียงแต่อ้าปาก พออ้าปากท่านก็ตักอาหารใส่ปากเราก็เคี้ยวกุบๆเ ก, กินเข้าไปแต่ถ้าเป็นพระไตรปิฎกนี้เราต้องตักอาหารใส่ปากเองต่างกันแค่ตรงนั้นแต่ยังไงก็ต้องก็เป็นแหล่งที่สามารถสอนให้เรานาให้เราไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแต่อาจจะต้องใช้เวลาต่างกันเพราะ บางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจอาจจะต้องใช้เวลาทดลองผิดลองถูกถึงจะเข้าใจว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนท่านจะคอยบอกว่าถึงจุดนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถึงจุดต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรเมื่อถึงจุดนั้นเมื่อมีปัญหาจะแก้อย่างไรอันนี้จะได้ประโยชน์มากกว่า ถ้าได้ศึกษาจากผู้ที่ได้บรรลุ ธ, ธรรมแล้วได้ยังมีชีวิตอยู่แต่อยา่าไปศึกษากับผู้ที่ไม่บรรลุ ธ, ธรรมเพราะเป็นเหมือนคนตาบอดอยู่ยังมองไม่เห็นธรรมได้ยินแต่ธรรมได้ศึกษาเหมือนกับสิสบปากว่าแต่ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นยังเพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมแต่ยังไม่เห็นธรรมที่ได้ยินว่าเป็นอย่างไรเพราะยังไม่ได้ปฏิบัติ ต้องปฏิบัติถึงจะเห็นธรรมต้องบรรลุธรรมการเห็นธรรมก็คือการบรรลุธรรมนั่นเองเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเห็นอริยสัจ ส, สีปรากฏขึ้นมาในใจเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามประการคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงเกิดโนธผลถะภาภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากมีอายุยืนยาวนานอยากมีความสวยความงามนี่เรียกว่าภาวะตัณหาวิภวะตัณหาก็คือความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่ได้มาความอยากไม่สูญเสียลาบยศสะละเสริญไม่สูญเสียความสวยความงามไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะสูญเสียชีวิตร่างกายไป เรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจจะทำให้ใจดิ้นจะทำให้ใจเครียดจะทำให้ใจทุกข์ถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการเห็นความจริงยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมาได้มันก็ไปได้มันจเจริญได้มันก็เสื่อมได้ มันเกิดได้ก็ดับได้มันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเจริญไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้เวลามันจะเจริญมันก็จะเจริญเวลามันจะเสื่อมมันก็จะเสื่อมถ้ารู้ว่ามันไม่แน่นอนรู้ว่าห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ก็ปล่อยมันก็ต้องปล่อยมันเท่านั้น เหมือนรู้ว่าไปเปลี่ยนส้มให้เป็นกล้วยไม่ได้อยากจะให้มันเป็นส้มอยากให้มันเป็นกล้วยดูส้มทีไรมันก็ไม่เป็นกล้วยดูทีไรก็ไม่สบายใจไม่พอใจแต่ถ้ายอมรับว่าดูยังไงมันก็ต้องเป็นเป็นกล้วยอยู่อย่างนั้นจให้มันเป็นส้มไม่ได้พอยอมรับความจริงอันนี้ได้ก็ปล่อยมันปล่อยมันเป็นกล้วยไปปล่อยมันเป็นส้มไปใจก็จะไม่ทุกข์กับมัน นี่คือเรื่องของอริยาาสัจสีที่ต้องเห็นที่เกิดขึ้นภายในใจต้องเห็นตอนที่เกิดความทุกข์ใจเวลาเราเกิดความทุกข์ใจนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าตอนนี้เราทุกข์กับอะไรอะไรทําให้เราทุกข์คนนั้นเขาทําให้เราทุกข์เขาทำว่าอะไรถึงทําให้เราทุกข์เขาด่าเราเลยเราถึงทุกข์กับคําด่าของเขาหรือว่า เราทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากให้เขาด่าเราเราอยากให้เขาชมเราอะไรกันแน่พอเวลาที่เขาหยุดด่าแล้วทำไมเรายังทุกข์อยู่ก็เพราะเรายังอยากให้เขาไม่ด่าเราอยู่นั่นทั้งๆที่เขาก็หยุดด่าลรวแล้วแต่เขาด่าผ่านไปต้องนานแล้วแต่ใจของเราก็ยังอยากให้เขาไม่ด่าเราอยู่นั่นพอเราคิดถึงคาด่าของเขาเราก็ยังทุกข์อยู่ เราจะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราถ้าเราไม่อยากให้เขาไม่ด่าเราแล้วเขาจะด่าหรือไม่ด่าเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้จักแยกแยะจะเห็นทุกข์ได้ก็ต้องใจต้องเข้าข้างในก่อนใจของพวกเราที่ไม่ได้ปฏิบัติสมาธินี้จะไม่เข้าข้างในจะอยู่แต่ข้างนอก ใจของพวกเราที่ไม่ได้มีสมาธินี้จะอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสจะออกมาทางตาหูจมูกนิ้นกายพอใจเป็นอะไรจะมองไม่เห็นแล้วจะไปโทษรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นตัวที่ทําให้ใจทุกทําให้ใจไม่สบายพอเห็นรูปที่ไม่ถูกใจใจไม่สบายขึ้นมาก็ทุกข์กับรูปนั้นก็ไปโทษรูปนั้นแทนที่จะโทษใจที่ไปไม่ชอบรูปนั้นอ ไปเกลียดรูดนั้นใจไม่เป็นกลางถ้าใจเป็นสมาธิแล้วใจจะเป็นกลางใจจะเห็นว่าเวลาที่ใจทุกข์นั้นทุกเพราะใจมีอคติแล้วมีรักมีชังมีกลัวมีหลงขึ้นมาแล้วใจถึงทุกข์เวลาใจไม่มีอคติเวลาใจเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาใจเห็นอะไรจะไม่ทุกข์ได้ยินอะไรจะไม่ทุกข์ เพราะไม่มีอคติสี่นี้ดังนั้นการที่จะทําให้ใจเห็นปัญญาให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ใจยิงต้องเข้าข้างในก่อนถ้าอยู่ข้างนอกนี้จะมองไม่เห็นใจจะไม่เห็นว่าความทุกข์ต่างๆเกิดจากใจที่ไม่เป็นอุบเบกขาใจที่มีอคตินี่เองแต่พอทําใจให้สงบได้ดึงใจกลับเข้าข้างใน ดึงใจออกจากตาหูจมูกลิ้นกายให้เข้าสู่สมาธิได้ใจก็จะเป็นกลางขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาป่าสะจากอาคติทั้งสี่คือรักชังกลัวหลงพอใจไม่มีรักชังกลัวหลงเวลาเห็นอะไรก็เฉยเฉยเห็นเพชรก็เฉยเฉยใครจะหยิบไปก็เฉยเฉย มันก็แค่เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งท่านเป็นรูปอย่างหนึ่งท่านนะั้รูปที่เห็นด้วยตาทัานนั้นเองไม่มีผลอะไรต่อจิตใจต่อการเกิดด้วยการดับของมันเพศจะมาหรือเพชรจะไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใจที่เป็นอุเบกขาเพราะไม่ได้ทำให้ใจทุกข์แต่อย่างใดแต่ถ้าใจมีอคติพอรักขึ้นมาพอเห็นเพชร ใจก็จะเกิดความโลภขึ้นมาทันทีเกิดความอยากได้ขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็จะร้อนขึ้นมาทันทีอยู่ไม่เป็นสุขขึ้นมาทันทีจะต้องไปเอาเพชรเม็ดนั้นให้ได้แล้วถ้าได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาต้องคอยหวงคอยห่วงแล้วถ้าเกิดหายไปหรือหมดไป ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกนี่เป็นเพราะใจไม่สามารถอยู่ในอุเบกขาได้ใจจะอยู่ในอุเบกขาได้ก็อยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาก็จะสูญหรือเสียสมาเสียอุเบกขานั้นไปทละเล็กทีละน้อย เพากำลังของสติที่จะรักษาอุเบกขานั้นมันมันเสื่อมลงไปถ้าอยากจะรักษาอุเบกขาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วนี้จําเป็นจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจสัมผัสรับรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจยังจะสามารถรักษาความเป็นอุเบกขาได้ถ้าเห็นว่า สิ่งนั้นมันเป็นทุกข์ความรักความชังความกลัวความหลงก็จะไม่มีแต่ถ้าไม่เห็นไตรลักณเห็นว่ามันเป็นของถาวรเป็นของที่ได้มาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดอันนี้ก็จะทำให้อุเบกขาหายไปเพราะจะทำให้เกิดความรักขึ้นมาหรือเกิดความชางังเกิดความกลัวเกิดความหลงขึ้นมานั่นเอง ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องใช้ปัญญาหลังจากที่ได้อุเบกขาจากการนั่งสมาธิแล้วพ อ, อ, อจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณาปัญญาพิจารณาไตายลักษ์อยู่เรื่อยๆเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ก็ว่าต้องเป็นตายลักษ์ทันทีถ้ารู้ว่าเป็นตายลักษ์ทันทีรู้ว่าเป็นทุกข์ทันทีก็จะไม่เอาจะไม่โลภไม่อยากได้ ถ้าเห็นอะไรแล้วจะโกรธขึ้นมาก็ใช้ใตรักก็จะไม่โกรธขึ้นมาพอรู้ว่าไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้เราไม่พอใจมันก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้สู้อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นไปล้วอย่าไปเป็นอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ ใจของเราก็จะไม่ถุกใจของเราก็จะอยู่เป็นอุเบกขาได้ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะร้ายกับเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตามองได้สามมุมเนี่ยมองว่าเป็นอนัตตาก็ได้มองว่าเป็นทุกข์ก็ได้ มองว่าเป็นอนิจจังก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์ว่าอันไหนจะเหมาะกว่ากันอบางอย่างก็ต้องเห็นว่าเป็นอนิจจังเช่นเห็นแฟนก็บอกเป็นอนิจจ์นะได้มาแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันรักกันเดี๋ยวเดียวอรักกันแล้วก็มาทะเลาะกันก็แสดงว่ามันเป็นอนิจจ์แล้วไม่รักกันอย่างแท้จริงไม่รักกันอย่างถาวรพอรู้ว่ามันเป็นอนิจจ์มันก็รู้ว่ามันต้องเป็นทุกข์ หรือว่าถ้าไปเจอสิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เจอคนที่เขาโหดร้ายทารุณกับเราจะไปอยากให้เขารักเราดีกับเราก็ไม่ได้อยากก็จะทำให้เราทุกข์อันนี้กิดการใช้ใตรักหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วแต่ต้องเป็นสมาธิที่เราช่ำชองชนานาญก่อนถึงใช้ปัญญาได้ถ้าสมาธิยังไม่ช่ำชองอย่าเพิ่งไปใช้ปัญญา พราะมันจะกลายเป็นสัญญาจะกลายเป็นกิเลสกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปได้เพราะเรายังไม่สามารถควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้เวลาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะเรายังไม่ชำนาญต่อการทำใจให้สงบดังนั้นถ้าเรายังไม่ชำนาญต่อการทำใจให้สงบเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างยากบ้างง่ายบ้างอย่างนี้ยังไม่ชำนาญ ต้องเอาแบบสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการได้เข้าได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนขับรถเนี่ยต้องขับแบบชํานาญก่อนอย่าอย่าไปขับแบบตะกุกตะกัดเดี๋ยวก็หัวทิ่มบ้างเดี๋ยวก็เหยียบรถพุ่งไปบ้างเดี๋ยวก็หักหลบชนนู่นชนนี่บ้างถ้ายังขับรถอย่างนี้อยู่อย่าเพิ่งออกไปถนนใหญ่เดี๋ยวไปชนกันแน่นอนต้องหัดขับจนชํานาญก่อน คล่องแค่ว่องไวกระโดดขึ้นรถปั๊บสตาร์ทปั๊บออกรถไปได้ขับไปได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เหมือนกันการฝึกสมาธิในขั้นขั้นแรกนี้ต้องฝึกให้มันชํานาญก่อนอยังไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการเจริญปัญญาเพราะมันจะไม่เป็นปัญญาที่จะมาดับความทุกข์ได้มาให้ความสําคัญต่อการฝึกสมาธิก่อนให้มันชํานาญก่อน ให้ทําใจให้นิ่งให้สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการก่อนเหมือนกับขับรถต้องสามารถเบรกได้ทุกเวลาที่เราต้องการจะเบรกถ้ายังเบรคไม่ได้อย่าพึ่งไปขับออกไปถนนใหญ่เดี๋ยวเวลาจะเบรคมันเบรคไม่ได้แล้วจะต้องไปชนกันดันใดใจของเราถ้าเรายังสั่งให้มันหยุดไม่ได้ถ้าเราออกไปทางปัญญามันจะต้องให้มันคิดการใช้ปัญญานี้ต้องใช้ความคิด นี่ถ้าเกิดมันไม่คิดไปในทางปัญญามันคิดไปในทางกิเลสถ้าเราไม่มีสติเราเราไม่มีความสามารถหยุดความคิดเราก็จะหยุดมันไม่ได้แทนที่จะเป็นปัญญามาดับความทุกข์กับกลายเป็นกิเลสตัณหามาสร้างความทุกข์ให้กับเราขึ้นมาอันนี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติเราต้องรู้ว่าต้องทําอย่างไรก่อนบางคนก็กลัวมากเกินกลัวพอจิต เข้าสมาธิปั๊บนี้ออกมาต้องรีบพิจารณาทันทีกลัวจะติดสมาธิยังไม่ต้องไปกลัวหรอกสมาธิยังไม่ยังไม่ช่ำชองเลยจะไปติดกันได้ยังไงพวกที่ติดสมาธิหมาย ถ, ถึงพวกที่ช่ำชองแล้วแล้วไม่ยอมออกทางปัญญาจะเอาแต่สมาธิเอาแต่นิ่งๆเฉยๆเอาแต่พุทโธออกมาก็พุทโธพุทโธ ร, รักษาใจให้นิ่งอย่างเดียวอันนี้มันก็จะทําทให้ติดอยู่ขั้นสมาธิ มันไม่เสียหายหรอกการติดสมาธิเพียงแต่ว่ามันจะทําให้ไม่ก้าวหน้าเท่านั้นเองการติดสมาธิดีกว่าติดรูปเสียงกลิ่นรสติดเที่ยวติดช้อปปิ้งติดเงินติดทองติดลาบยศสรรเสริญอันนั้นนะร้ายกาจกว่าอย่าไปติดถ้าจะติดเลือกให้ระหว่างติดสมาธิกับติดเที่ยวติดสมาธิดีกว่าถ้าให้ติดสมาธิกับติดช้อปปิ้งให้ติดสมาธิดีกว่าไม่ต้องกลัว ติดช้อปปิ้งเนี่ยมันร้ายกาจกว่าติดสมาธิติดเที่ยวนี่มันร้ายกาจกว่าติดสมาธิเพียงแต่ว่าถ้าให้เลือกระหว่างสมาธิกับการออกทางปัญญาอันนี้ก็ต้องออกทางปัญญาถ้าเราชำชองในสมาธิแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเข้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพอนั่งหลับตาปุ๊บไม่กี่นาทีก็สงบอันนี้เรียกว่าชำชองแล้ว ถ้าจำจองแล้วทีนี้ถ้าไม่ออกทางปัญญาก็เรียกว่าติดสมาธินี่ต้องออกสร้างสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วที่ต้องไปทางปัญญาเห็นอะไรก็ต้องพิจารณาให้เห็นเป็นตายรักทันทีเห็นรูปก็พิจารณาว่าเป็นตายรักษได้ยินเสียงก็พิจารณาว่าเป็นตายรักได้ดมกลิ่นริมรสสัมผัสกับอะไรทางร่างกายก็พิจารณาว่าเป็นตายรักษ ว่ามันไม่เที่ยงแบบนั้นนิจังอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากมันจะทำให้เราทุกข์ทุกเกิดจากความอยากของเราทุกไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราสัมผัสทุกเกิดที่เราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ า, าไปสัมผัสกับรูปที่ชอบก็อยากจะให้มันอยู่กับรเราเป็นนานๆพอมันไม่อยู่เราก็ทุกข์ พอเห็นคนที่เราชอบพอเขาจากเราไปเราก็เสียใจอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไปไม่เราไม่เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเราเลยไม่เมีเราเราไม่เป็นอุเบกขาไม่สักแต่ว่ารู้เฉยเฉยแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะรู้เฉยเฉยเห็นเขาเราก็จะเฉยเฉยถึงแม้ว่าเขาจะน่ารักน่าดูน่าชมอย่างไร แต่ใจเราจะไม่ไปรักไปชอบเขาไม่ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเขาไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยจากไปถ้าเป็นรูปที่สวยต่อไปมันก็กลายเป็นรูปที่ไม่สวยดูดอกไม้ดอกไม้เวลามันบานมันสวยมไหมปักแจ ก, กันไว้ไม่กี่วันกลายเป็นอะไรมันก็เฉาไปเหี่ยวไปหมดความสวยงามไป การพิจารณาดอกไม้นี้ก็ทำให้บรรลุธรรมได้ถ้าพิจารณาเป็นถ้าเอาดอกไม้มาเปรีย บ, เ, ยบเทียบกับคนที่เราเห็นว่าสวยว่างามว่าเป็นเหมือนดอกไม้บานที่เอามาปักไว้ในแจกันปักไว้ไม่กี่วันเรากลับไปดูอีกอาทิตย์หนึ่งวันพระนี้ไปซื้อดอกไม้มาปักไว้ในแจกันเดี๋ยววันพระหน้าไปดูดอกไม้ที่เราปักไว้เป็นยังไงโยนทิ้งเลยใช่ไหมเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ เราถึงเปลี่ยนคนอยู่เรื่อยๆพราะคนนี้แก่ก็หาคนหนุ่มคนสาวใหม่มาเพราะว่าเรายังอยากแต่ยังชอบแต่ของหนุ่มของสาวกันอยู่ไม่ชอบของแก่กันพอต้องสูญเสียก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือหาเปลี่ยนมาหาเปลี่ยนไม่ได้ก็ทุกข์ต้องอยู่คนเดียวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ไม่มีใครเขาอยากจะมาอยู่กับเราตอนนั้นก็จะทุกข์เพราะไม่มีใครมาอยู่กับเรา แต่ถ้าเราเห็นเขาเป็นไตลักแต่เริ่มต้นเราก็จะไม่ไปอยากให้เขามาอยู่กับเรา เ, ออเราอยู่ของเราอยู่กับอุเบกขาดีกว่าอยู่กับความสงบที่ได้จากอุเบกขาดีกว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลากิเลสเวลาจิตยังไม่เป็นอุเบกขาพอเห็นอะไรมันก็จะเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมา ถ้าเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากเราต้องรู้แล้วว่าตอนนี้จิตเราไม่เป็นอุเบกขาแล้วไม่สักแต่ว่ารู้แล้วเราขาดปัญญาแล้วเราต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งที่เราอยากนั้นให้เป็นตายรักให้ได้ถ้าเห็นว่าเป็นตายรักเราก็จะหยุดความอยากหยุดความโลภในสิ่งนั้นได้หรือถ้ายังไม่สามารถเห็นตายรักได้ก็ใช้วิธีเก่าก่อนใช้สติก่อนพุทโธไปก่อนก็ยังดี อย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้พอกลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธใจก็จะกลับมาเป็นอุเบกขาได้ชั่วคราวแต่เดี๋ยวพอไปเห็นสิ่งที่ชอบก็จะก็จะออกจากอุเบกขาไปจะเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาอีกแต่ถ้าใช้ปัญญาเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วจะเป็นอุเบกขาแล้วเห็นกี่ครั้งก็จะไม่ออกจากอุเบกขาถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ เห็นมาได้มาแล้วจะทำให้ทุกข์ก็เลยไม่อยากได้ต่อไปเห็นก็จะเฉยๆสักแต่ว่าเห็นไปนี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติที่เรามันจะไม่สามารถได้ได้จากหนังสืออ่านหนังสือพระไตรปิฎกนี้ความรู้จากการปฏิบัติดี้มันจะไม่ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะมันเป็นเรื่องที่มีหลายแง่หลายมุมด้วยกันเขาถึงจดจำแต่ หลักของการปฏิบัติส่วนรายละเอียดนี้ต้องไปศึกษาจากผู้ที่บรรลุธรรมแล้วผู้ที่ปฏิบัติแล้วผู้ถึงจะสามารถได้รายละเอียดต่างๆดั ง, งั้นแหล่งของการศึกษาที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็ต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเพราะเราจะได้รายละเอียดที่เราจะไม่สามารถได้จากหนังสือ แม้แต่หนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านสั่งท่า น, นสอนบางทีอาจจะมีรายละเอียดอยู่แต่บางทีก็ไม่มีและเวลาอ่านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเจ อ, อคำตอบของที่เราต้องการเสมอไปเพราะท่านก็แสดงทาไว้หลายแง่หลายมุมแล้วถูกบันทึกไว้อยู่ในหนังสือหลายเล่มด้วยกันบางทีจะไปค้นหาคำตอบก็ยากอย่างที่หลวงตาท่านเราว่าพอมีปศ น, นาธรรมนี้ปรากฏขึ้นมาในใจ ถ้าหลงปู่ม่นอยู่ไปกราบเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวท่านก็ชี้บอกเองว่าไอ้ตัวนี่แหละอยู่ตรงนี้แหะอยู่ในใจแล้วนี่แหละไอ้ที่เป็นตัวพบตัวชาติคือไอ้ตัวนี้แหละพอท่านที่บอกปั๊บก็สามารถที่จะกำจัดมันได้ทันทีอันนี้แต่พอไม่มีครูบาอาจารย์ก็เลยต้องหาเองพระอริยบุคคนี้ท่านไม่เป็นคนสิ้นเนื้อปดาตัวถ้าไม่จนด้วยปัญญา เียงแต่ว่ า, าจปัญญายังไม่อาจยังไม่แหลมคมยังต้องอาศัยการรับด้วยการพิจารณาด้วยการปฏิบัติลองผิดลองถูกไป <c oughs> ยังถ้าลองได้เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าเกิดไปอยู่คนเดียวไม่มีผู้สั่งผู้สอนสามารถบรรลุถึงพานิพานได้เพราะได้เข้าสู่กระแสของพรานิพานแล้ว <c oughs> เพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นะบางทีอาจจะต้องเจ็ดชาติ เพราะต้องค่อยคําทางไปลองผิดลองถูกไปแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านก็จะคอยชี้บอกคอยกระตุ้นให้ไปทางนี้ไปทางนี้ถึงตรงนี้แล้วอย่าหยุดทำอย่างนี้ต่อทำตรงนี้ต่อได้อย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนั้นต่อท่านจะคอยดึงคอยคอยดันคอยสอนคอยบอก ม, ม, มันก็จะทําให้เราสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว อุบาจารย์ทางสายปฏิบัตินี่ท่านให้ความสําคัญต่อการอบรมสั่งสอนผู้ศึกษาเป็นอย่างมากท่านต้องสอนอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างต้องเรียกมาอบรมสั่งสอนเพราะถ้าไม่สอนแล้วลืมกันเวลาฟังปั๊บหน้าเดี๋ยวพอไม่ได้ฟังก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะลืมเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนอกจากพวกที่ มีสติปัญญาที่หมุนแล้วพอได้ยินได้ฟังทำแล้วจะเอาทำเอาปัญญานั้นมาพิจารณาต่อไม่ให้ไม่ให้ใหลงไม่ให้ลืมแต่พวกที่ยังคิดทางปัญญาไม่ได้พอฟังแล้วเดี๋ยวพอเลิกฟังก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปคุยกันไปทํากิจกรรมอย่างนู้นทําอย่างนี้ทำที่ได้ยินได้ฟังก็จะหายไปหมดก็ถึงต้องกลับมาฟังใหม่ฟังฟังเรื่อยๆ ดังที่พระเจ้าบอกการฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งตาการตามเวลาสมัยพุทธกาลก็สําหรับคาราว่าก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันพระเพราะเป็นวันที่ญาติโยมจะได้มีเวลาหยุดการทํางานมีเวลาที่จะมาวัดสมัยก่อนจะฟังธรรมต้องไปถึงวันแล้วก็ต้องหยุดทํางานจึงเขาจึงหยุดทํางานในวันพระกัน เช่นวันนี้เป็นวันพระพอดีตรงกับวันอาทิตย์ชาวพุทธเราเลยได้เข้าวัดกันแต่ถ้าเกิดเป็นวันพระที่ตรงกับวันจันทร์หรือไม่ใช่วันที่ไม่ใช่วันเป็นวันหยุดก็จะไม่สามารถไปวัดไปฟังธรรมได้เพราะจะต้องไปทำงานทำการกันแต่โชคดีสมัยนี้เราไม่ต้องไปวัดเพื่อฟังธรรมก็ได้ เพราะเรามีสื่อต่างๆที่เราจะสามารถเข้าถึงธรรมะได้ทุกแห่งทุกขนทุกเวลาเดี๋ยวนี้การฟังธรรมตามการควรจะเป็นวันละหนึ่งวันละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเป็นเหมือนกับการรับประทานวิตามินเนี่ยวิตามินนี่เราต้องรับประทานวันละหนึ่งเม็ดดันั้นธรรมะนี่ก็เป็นวิตามินของใจที่เราควรจะกินกันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง อย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงฟังเทศฟังธรรมสักหนึ่งชั่วโมงไม่ฟังถ้าไม่ชอบฟังก็อ่านหนังสือธรรมะให้มีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เรื่อยๆจะได้ไม่หลงไม่ลืมว่าจะต้องปฏิบัติอะไรกันแต่ถ้าไม่มีธรรมะคอยหล่อเลี้ยงจิตใจคอยเตือนสติว่าควรจะทําอย่างนี้นะควรจะทําอย่างนั้นนะเดี๋ยวกิเลสมันก็เดึงใบสอนให้ทําเดี๋ยวไปชอปปิ้งกันนะเดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันนะ เดี๋ยวไปกินเลี้ยงกันเดี๋ยวจัดงานเลี้ยงกันวันเกิดคนนั้นวันเกิดคนนี้โอ้ยมีงานกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้ามาฟังเทศทางธรรมแล้วก็จะได้รู้ว่างานเหล่านี้เป็นงานสร้างภพสร้างชาตินะถ้าอยากจะตัดภพตัดชาติอยากจะดับความทุกข์ก็อย่าไปจัดงานเหล่านี้วันเกิดก็ทุกคนก็เกิดกันเกิดแล้วทําไมต้องมาจัดงานเลี้ยงด้วยเลี้ยงแล้วมันทําให้อายุยืนยาวนานหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ทําให้ยาวนาน คนจะตายไม่ตายมันไม่ได้อยู่ที่งานเลี้ยงหรอกเลี้ยงก็ตายไม่เลี้ยงก็ตายถึงเวลาจะตายถ้ามีธรรมะมันก็จะมีอะไรมาคอยคอยต่อต้านกิเลสที่จะคอยดึงจิตดึงใจให้ไปในทางของกิเลสได้แล้วจะได้ดึงจิตดึงใจให้มาเข้าวัดได้ใช่ไหมหยุดห้าวันนี้ถ้าไม่มีธรรมะก็ไปแล้วเนี่ยจองตั๋วไปไหนก็ไม่รู้ไปถึงไหนแนละ้วแต่ถ้ามีธรรมะโอ้ยอย่าไปนะ เป็นสร้างภพสร้างชาติเราต้องมาตัดภพตัดชาติเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระอริยสงฆ์สาวกของครูบาอาจารย์เราอยากมาขอขมาเราต้องมาปฏิบัติบูบชานี่ <c oughs> ของขมา <c oughs> ก็เรื่องของกิเลสเหมือนกันขอขมาว่าไม่ได้ปฏิบัติได้ไปเที่ยวกลับมาบ่ากลับมาแล้วไปชอปปิ้งกลับมาแล้วไปจัดงานเลี้ยงแล้วทีนี้ต้องมาขอ ข, อขมา ขอทำไมขอมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขอกรรมากิเลสมันก็ไม่ตายวิธีที่จะทําให้กิเลส ต, ตายต้องฆ่ามันสิฆ่ามันด้วยการปฏิบัติบูชาทีนี้ถ้ารู้ว่าทําผิดการขอขมามันดีตรงที่ว่าสํานึกผิดสานึกว่าเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวนี้ผิดไปช้อปปิ้งนี้ผิดไปกินเลี้ยงนี้ผิดต่อไปนี้จะไม่ทําอีกแล้วเอถ้าอย่างเงี้ยถูกต้องแต่ถ้าขอกขมาเสร็จแล้วก็กลับไปทําเหมือนเดิมก็อย่าไปขอกขมาดีกว่า ออมาแล้วต้องกลับมาพลิกแพงตัวเองเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากการไปบูชากิเลสตัณหาก็มาบูชาธรรมด้วยการปฏิบัติบูบชาด้วยการไปบําเพญ็ญศีลสมาธิปัญญาหยุดห้าวันนี้ไปหาที่สงบรักษาศีลแปดไปเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่มีปัญญาก็ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญา ถ้ารู้แล้วว่าปัญญามีอะไรบ้างก็เอาไปเจริญให้มีอยู่ในใจให้มันฝังอยู่ในใจเพื่อจะได้ใช้เวลาที่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาจะได้ใช้ปัญญานี้มาทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจนี่แหละคือวิธีบูชาวิธีที่ขอขมาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องขอกมาด้วยการปฏิบัติบูบชา การขอเข้ามานี้เป็นการสำนึกผิดว่าได้ทำผิดแล้วไม่ควรจะทำอย่างนี้ไม่ควรไปสแสวงหาลาบยศจลาเสริญไม่ควรไปสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายควรมาสแสวงหาธรรมควรมายินดีในธรรมเพราะลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงให้คิดอย่างนี้แล้วจะได้กลับเข้ามาสู่กระบวนการของการกําจัดความทุกข์ต่างๆ ก็จะกลับมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมกันแล้วก็พอศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องไม่ทะเลทลายไม่ไปช้อปปิง้งไม่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ไปกินไม่จัดงานเลี้ยงรับรองเดี๋ยวก็ความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปตามลําดับแจะดับไปได้ในหมดได้อย่างหมดสิ้นอย่างแน่นอนนี่แหละเรื่องของเรื่องของกระบวนการของการ กำจัดความทุกข์ต่างๆต้องเริ่มที่การศึกษาฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอเมื่อได้ฟังแล้วก็ต้องนำเ อ, อกไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่าปฏิบัติแบบกระต่ายให้ปฏิบัติแบบเต่าถึงแม้จะช้าแต่ไม่หยุดอย่าก็ปฏิบัติแบบตายวันดีคืนดีก็เอาสักเอาสักพักหนึ่งวันไหนอยากจะปฏิบัติก็เอาสักสาวันวันไหนไม่อยากปฏิบัติก็ไม่เอาเลย สู้กระต่ายทู่เต่าไม่ได้เอาวันละนิดวันละหน่อยทํามันไปทุกวันนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงเพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆท่าละเล็กเท่าน้อยะแต่อย่าหยุดนทําให้มันต่อเนื่องเพราะการปฏิบัติมันต้องต่อเนื่องมันถึงจะก้าวหน้าได้ง่ายถ้าปฏิบัติแล้วหยุดนี่มันจะไม่ก้าวหน้าและจะยากเพราะเวลาเลิกปฏิบัติแล้วกลับมาปฏิบัติใหม่นี้มันเหมือนเริ่มต้นใหม่มันจะ รู้สึกยากต่อนการที่เราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทำทุกวันมันง่ายกว่าทํานานๆมา ท, ทมําทีหรือแม้จะทํำมากทนานาน ท, ทําทีแต่ทําทั้งวันทั้งคืนเลยกับทำทุกวันวันละชั่วโมงนี้ทําวันละชั่วโมงนี้มันจะดีกว่างั้นขอให้เราดําเนินการขั้นของ กระบวนการของการกําจัดความทุกข์ต่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญและได้ทรงนํามาสั่งสอนให้กับพวกเราเถิดคือให้เราศึกษาอย่างท่องแท้จากผู้รู้จริงเห็นจริงแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติมีปัญหาก็กลับมาสอบถามผู้รู้ผู้รู้จริงเห็นจริงแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วเทนี้ถ้ามีใครอยากจะรู้อยากจะถามก็สามารถสอนเขาได้ แต่ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องปฏิเสธเขาไปก่อนรอกยังไม่รู้อย่าอย่าไปกลัวว่าเขาจะดูถูกเราว่าเราโง่ปฏิบัติมาต้องนานยังไม่ได้ผลไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรก็บอกไปอย่าไปสอนเขาโดยที่เรายังไม่รู้จริงเห็นจริงเพราะจะพาให้เขาหลงทางได้แล้วเราก็จะเสียเวลาแล้วเราอาจจะ ไปยึดเป็นอาชีพไปกลายเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะมีคนมาเรียนแล้วก็ให้ราบสักกาละอะไรต่างๆเลยแทนที่จะไปปฏิบัติก็เลยเลิกปฏิบัติไปได้นี่ก็เรื่องของปริยัติคือการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติคือการปฏิบัติปฏิเวสคือการบรรลุธรรมที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ก็คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็จะขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้จะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวหาปุราปาริกปุรเรนณติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปติ อิทิตังปัตถ um ิตังตุมหังคิดเปเมวะสะเมจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันาระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิตโยวิวาจันโตสัพพโรโขวินัสโตมาเตภวตวันตารโยสุข ok ีทีคายุโกภวะ อภิวาธานสีลิตสานิจจังวุทธาปจายิโนจตารโธมมาวะทาติอายุวนโนสุขังภาลาสาทูในลําดับต่อไปก็เป็นช่วงถามต่อบปัญหาธรรมใครอยากจะถามคําถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุม หลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขอ ง, งถามนัดตอบถ้าไม่อยากจะถามด้วยตนเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาได้แล้วทางพิธีกรจะนำมาอ่านออกอากาศอันนี้ทางบ้านติดตามเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e b ุ o k ทั้งหมด303าคน YouTube 106คนวิทยุออนไลน์15ห้าคนพูดและฟังบนเขา309คนรวมทั้งหมด เจ็ดร้อยสามสิบสมคนก็พ็ด้อยโอเคแต่เจ็ดร้อยธรรมดาห้าร้อยถ้าบางทีก็หกร้อยกว่านานๆจะเจ็ดร้อยสักครั้งต้องจนช่วงเทศกาลมีใครอยากจะถามไหมในศาลานี้กราบในมาชการพาราจารย์เจ้าค่ะเวลาที่ปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะพระอาจารแล้วบางทีมันมีความมัวขึ้นขึ้นมาในใจเหรอเจ้าค่ะ หรือว่ามีการบีบคั้นในร่างกายเจ้าค่ะเสร็จแล้วใจเราไม่ชอบแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายเราควรจะต้องวางใจไว้ยังไงบ้างเจ้าค่ะอาจารย์ถ้ามันเป็นเฉพาะตอนที่เรานั่งสบาธิ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นกิเลสสมาลมันเป็นมายามันสร้างภาพหลอกเราสร้างความรู้สึกหลอกเราไม่มีความเสียหายในต่อร่างกายแต่ถ้ามันเป็นตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งหรือไม่นั่งไม่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ มันก็อาจจะเป็นทางร่างกายก็ต้องไปให้ทางแพทย์เขาดูแต่ถ้ามันเป็นเฉพาะตอนที่เรานั่งตอนเวลาอื่นเราไม่เป็นก็สแสดงว่ามันเกิดจากกิเลส mm hmm. ก็อย่าไปสนใจพยายามฝึกสติให้มีกําลังมากขึ้นเพราะว่าถ้าสติกําลังน้อยกิเลสมันจะสร้างอาการต่างๆขึ้นมาหลอกใจดังนั้นก่อนที่จะมานั่งนี้ควรจะฝึกสติให้มากๆจะใช้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้ หรือจะคอยเฝ้าดูการทํางานขอ ง, ของร่างกายว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็ให้จดจ่อยอยู่กับงานที่เรากําลังทําอย่าปล่อยให้ใจเราคิดแล้วเราจะมีกําลังมากขึ้นและพอเราเริ่มนั่งถ้ายังมีอาการอยู่ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปเพราะว่าใจมันยังไม่นิ่งพอมันก็จะรู้สึกครดขึ้นมาเพราะมันอยากจะทํานู่นทนํานี่อยากจะคิดนั่นคิดนี้ก็เอาใจที่อยากคิดนี้มาให้ คิดอยู่กับบทสวดมนต์แทนสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะเบาจะเย็ยนหนงแล้วจะสบายพอสบายแล้วเราค่อยนั่งดูลมต่อไปค่ะแล้วในชีวิตประจําวันถ้าหนูดูเรื่องการเคลื่อนไหวหรือว่าควรจะต้องดูพุทโธเจ้คาค่ะแล้วแต่ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวได้ก็ดูไปถ้าดูแล้วมันยังไปคิดก็ใช้พุทโธเดึงกลับมาบริกรรมพุทโธถ้ามันคิดแล้วก็พุทโธพุทโธไป ถ้ามันไม่คิดเราก็อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปค่ะกรรนรมาสการเจ้าค่ะค่ะคำถามฝากถามค่ะถ้าคนคนนั้นเร็วจริงแล้ ว, แ ล, วแล้วเราแช่งเขาเราจะบาปไหมคะแล้วก็ขับแช่งจะมีผลไหมคะเออเป็นวาจาที่ไม่ดีก็ถือว่าบาปทางวาจาไม่ควรกล่าวร้ายผู้อื่นด่าร้ายผู้อื่นสาบแช่งผู้อื่น พอออกจากกิเลสตัณหาคือความโกรธเกลียดเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาองั้นก็ไม่ควรเขาจะชั่วหรือดีมันเรื่องของเขาเราวไม่ต้องไปยุ่งกับเขาควรจะพูดแต่สิ่งที่ดีดีกว่าพการพูดดีมันเกิดประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังผู้ฟังก็มีความสุขผู้พูดก็มีความสุขถ้าพูดไม่ดีผู้ฟังก็ทุกผู้พูดก็ทุก มีคาถามเลยถามได้พูดปากพูดใกล้ๆมาหน่อยอกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะจะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสมาธิอะครับคือตอนที่ผมนั่งอะครับผมก็ลองใช้ทั้งคำบริกรรมแล้วก็พุทโธนะครับคือพุทโธไปแล้วก็พยายามละความคิดที่เข้ามาจนจนเริ่มรู้สึกเบาค่อยๆเบาเบาเบ า, บาแล้วก็ตอนที่มันสงบมันจะเป็นสภาวะเหมือนว่าเรา เคยถือของหนักๆมาครับเราระ ว, วางไว้กับพื้นอนถูกต้ององทีน่นี้ทีนี้ผมก็ทําต่อพยายามทําต่อเพื่อ<ม>เพื่อให้เกิดความสํานาญนะครับ<ม>แต่ว่าอผลคือความสงบในแต่ละครั้งครับมันจะไม่ใช่สภาวะเดิมเหมือนครั้งแรกใช่มันเปลี่ยนได้มไม่แน่นอนอยู่อยู่กับสภาวะจิตของเราบางวันก็ฟุ้งมากฟุ้งน้อย<ม>แล้วก็อยู่ที่สติมีมากมีน้อยง<ม>ั้นผลมันจะต่างกันไปเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรอ<ม>ื แล้วแล้วคือเราเราจะรู้ได้ยงไงครับว่าเราเนี่ยสานานแล้วพร้อมที่จะก็ต้องเข้าได้อย่างรวดเร็วง่ายได้ mm hmm. นั่งปุ๊บก็ห้านาทีก็สงบนี้ mm hmm. ถ้ายังต่อสู้กันอยู่ยังดึงกันไปดึงกันมาอยู่ก็แสดงว่าสติเรายังกําลังมีไม่มากพอืม mm hmm. ก็มั่นฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเดินหนึ่งทาไปสักครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งทาไปสักครั้งนึงนี่คื อ, อยังไม่ยังไม่ควรจะเดินปัญญาใช่ไหมครับก็ไม่ควรนะเพราะถ้าเดินไปมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ เดี๋ยวอาจจะฟุ้งขึ้นมาได้เพราะการเดินปัญญาต้องใช้ความคิดถ้าเรายังหยุดคิดไม่ได้แต่ yeah, อย่าเพิ่งไปทางปัญญาถ้าเราหยุดคิดได้แล้วสามารถควบคุมความคิดได้ทุกเวลาค่อยไปทางปัญญาเพราะถ้าเกิดมันไปทางปัญญาแล้วมันไปฟุง้งเราก็จะได้หยุดมันได้ถ้าไม่ถ้าเราหยุดมไม่ถ้าเรามันหยุดไม่ได้มันก็จะฟุง้งทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ได้ครับขอบพคุณครับ แต่ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดเราฟังความคิดของผู้อื่นความคิดของครูบาอาจารย์ถ้าอยากเจริญปัญญาถ้ายังไม่มีสมาธิเจริญด้วยการฟังเทศฟังธรรมไปหรือถ้าเราคิดว่าเราคิดทางปัญญาได้บ้างก็คิดได้แต่ถ้าให้เลือกระหว่ังหยุดคิดกับไม่กับคิดตอนต้นนี้หยุดคิดจะดีกว่าเพราะเรายังหยุดคิดไม่ได้เราต้องหยุดคิดให้ได้ก่อน คำถามฝากถามต่อไปค่ะผู้ที่จะบรรลุธรรมหรือเห็นธรรมในขั้นต่างๆได้ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ก่อนถูกหรือไ ม, ม่คะก็จะมีศีลแล้วก็มีสมาธิที่สงบใจศีลอย่างเดียวไม่พอศีลนี้จะเป็นผู้เอื้อต่อการทําให้สมาธิให้เกิดความสงบขึ้นมาสมาธิก็จะเอื้อทําให้เกิดมีปัญญาทําให้บรรลุธรรมได้ธรรมสามขั้นนี้เป็นธรรมที่สนับสนุนกัน ศีนสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้ให้มีปัญญาที่สามารถที่จะดับความทุกข์ดับกิเลสได้ พ, พระภิกษุสามารถไว้หนวดได้หรือไม่ครับและสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับพระที่ไว้หนวดนะค ะ, ะเรื่องหนวดนี้ไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมหนวดแล้วไม่หนวดบรรลุได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญา การบรรลุธรรมนี้เดต้องมีศีลสมาธิปัญญาแต่เรื่องหนวดนี้ถ้าเป็นพระนี่ก็ตามธรรมเนียมของชาวไทยเราเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไว้หนวดกันถึงทุกต้องโกหนวดโกนเขา่เาแล้วผมก็ทุกสิบทุกสามสิบวันทุกหนึ่งเดือนก็ต้องต้องปลมผมหนึ่งครั้งหมดนั้นเหลยมีค่ะหนูมีลูกชายอายุสี่สิบ เคยติดยาอารมณโมโหง่ายชอบคิดลบคิดลบแต่เรื่องในอดีตทุกใจมากค่ะที่เห็นรูกเป็นแบบนี้ควรวางใจแบบไหนเพื่อไม่ให้ทุกข์กับเรื่องนี้และจะช่วยลูกชายได้อย่างไรบ้างคะถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยเช่นสอนให้เขาฝึกสติให้เขาหัดพุทโธพุทโธให้เขาหัดไหว้พระสวดมนต์อันนี้ก็เป็นอุบายของการเจริญสติคือสอนให้เขามีความจดจอ่อ อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวยา yeah. แล้วถ้าคิดก็ให้ใช้พุโทโธหยุดันใช้พุโทโธหยุดความคิดต่างๆแล้วก็ช่วยได้เท่านี้คือช่วยสอนช่วยบอกส่วนเขาจะทําได้ไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าทําไม่ได้เราก็ต้องปรงว่ามันเป็นอนัตตาเหนือความสามารถที่เราจะไปทําอะไรได้ มีคําถามเพิ่งหลังมีคําถามจากคนผู้หญิงข้างหลังเลยสมการค่ะป้าชานอ๋องหนูมีคำถามว่าถ้าพูดไกลๆมาหนอ่อยอ๋อทุกครั้งที่ไม่โมโหโคไม่ชอบแช่งอ่ะค่ะแล้วถ้าเราไม่ผิดเราบบปไหมคะไม่ชอบแช่ชอบแช่งชอบแชง่งก็ไม่ดีเพราะมันก็บาปเพราะเป็นวาจาที่ไม่ควรกล่าวร้ายผู้อื่นสาปแช่งผู้อื่น ถ้าแม่สาปแช่งลูกแล้วลูกไม่ไม่ผิดอะคะใครทำก็ผิดทั้งนั้นน่ะแม่ก็ผิดลูกก็ผิด อ, อย่าทำเพราะเป็นการกระทำเป็นบาปทางวาจาเป็นการกระทาบาปทางวาจาอ ข, อขอบคุณมากค่ะอข อ, ขอกราบยินถามพระอาจารย์เกี่ยวกับคำแปลของรัตนสูตรในบทสวดมนต์แปลคะ่ะอันนี้อย่าถามดีกว่าเพราะเราไม่รู้หรอกไปถามกูเกิลดีกว่า คำถามพระอาจารย์คำถามต่อไปค่ะมีผู้ป่วยทางจิตเพิ่มมากขึ้นทุกวันตั้งแต่ระดับน้อยเช่นเป็นไบโพล่าไปจนถึงระดับไม่มีสติขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนเหล่านี้ได้ทำวิบากกรรมอันใดและผู้ที่มีความผิดปกติเหล่านี้ควรปฏิบัติตัวในทางพุทธศาสนาอย่างไรให้วิบากกรรมนั้นเบาบางลงคะก็เด็กก็ เป็นเพราะขาดสติไม่มีสติก็เลยไปทําบาปทํากรรมอะไรต่างๆบาปกรรมนั้นมันก็เลยสนองตอบให้กลับมาเกิดเป็นอย่างที่เป็นอยู่ก็วิธีแก้ก็ต้องฝึกสติไปสตินี้เป็นทำที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ดึงสติกลับมาให้มีสติตอนนี้เขาก็มีวิธีสอนเด็กพิการเด็กทางสมองทางทางทางปัญญาด้อยบันญังปัญญาให้เขา หัดมีสติพาเขาไปขี่มา้าพาเขาไปทําอะไรที่จําเป็นนี้ต้องใช้สติอันนี้เด็กก็จะพัฒนาเคยมีเด็กมีพาอาจารย์เคยพาเด็กที่เป็นเด็กทางด้อยทางปัญญาทางพิการทางสมองนี่มาลาม า, มาใหม่ๆนี้เหมือนกับลิงจับปูใส่กระดง้งวิ่งไปวิ่งมาไม่ ม, ไมีไม่ยอมอยู่กับที่นะสักหลายเดือนต่อมาพากลับมาใหม่เริ่มนั่งเฉยๆได้แล้ว เริ่มอยู่ในเพราะมีการฝึกสอนยันการการการแก้ปัญหาเรานี้ต้องแก้ด้วยการฝึกสติสอนให้เด็กมีสติถ้ามีสติมันก็จะยับยั้งการกระทำทางกายทางวาจาได้มี YouTube 2-3 คมถามถา ม, ถามไหมครับอาจารย์วันนี้พอก่อนนะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาพอดีก็คิดว่าคิดว่าหมดเวลา